ภาวนาเปิดทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นถ้าเราทำความเข้าใจได้ถูกต้องแล้วการปฏิบัติก็เป็นการสะดวกสบายขึ้นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวก่อนจะทำการภาวนา คืออุ้งกา ย, ยางให้เรานันั่งตั้งกายของเราให้ตรงให้พอดีในการนั่งขยับหาเลื่อนหา้าสิพอดีแล้วได้ที่แล้วเราก็ตรวจดูกายของเราตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ขึ้นเท้าขึ้นมาเบื้องตั้งแต่กลายผมลงไปนั่งอย่างไรเราก็รู้ตัวอย่างนั้น มีความระลึกมีความรู้ตัวท่านเรียกว่าสัมป์ปานโนสติมาให้มีความรู้ตัวมีความระลึกรู้ตัวเราเรานั่งเรียบร้อยแล้วเพื่อชะลอสํารวมความคิดของเราไม่ให้ส่งไปทางนอกเพื่อให้อยู่ในตัวของเรานี้ในขอบเขตที่เราจะต้องการศึกษาต้องการรู้ เพราะฉะนั้นจะแม้แต่รู้ตัวคือร่างกายของเราก็ได้ ร, รู้จิตใจของเราก็ได้าการศึกษาสมาธิรู้ทมก็คือรู้ตัวของเรานี่เองรู้กายถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงมีการรู้ตัวคือกายของเรา อยู่อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นรู้ใจใจของเรามีความดีความสบายอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเราคิดนึกเรื่องอะไรเราก็รู้รียกว่ารู้ตัวการรู้กายเราก็พิจารณากายของเรามีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเราเคยกาหนด ทำอย่างไรได้รับความสงบความสบายทําอย่างไรจิตใจของเราตั้างมันเราก็ทําอย่างนั้นให้พอดีให้พอเหมาะในการกระทําของเราเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้รู้เข้ามาตามลําดับจะให้ส่งออกไปโดยเจะอย่างยื่งจะให้รู้เฉพาะในปัจจุบัน เราจะบริจรรมพุทธโธพุทธโธก็เพื่อต้องการรู้นี้เองถ้ารักษาความรู้ของเราเที่ยงมัน่นไม่ขาดระยะไม่ขาดสายตั้งเที่ยงตรงเราก็พยายามเรื่อยรู้ต่อเนื่องกันไปตามระดับจิตของเราก็จะได้รวมจะได้ไม่เลียดไปตามระดับ จิตรวมละเอียดแล้จิตของเราก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วสิ่งใดที่มีอยู่ในจิตเราก็รู้เพราะเราไปสร้างระลึกอยู่ที่จิตถ้าเราระลึกกายสิ่งไหนที่มีอยู่ในกายเราก็รู้ทา ที่อยู่ในกายก็เราก็รู้กายของเราแบบมีลักษณะว่าไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมาตามบรรดากราบารู้ส่วนนี้ส่วนไม่เที่ยงส่วนไหนมันเป็นทุกข์เราก็รู้อีกทุกข์มันเกิดขึ้นในส่วนไหนตรงไหนอย่างไรเราก็รู้ ส่วนไหนขี้ไมมมีทุกข์เราก็รู้ส่วนไหนที่ทุกข์เราก็รู้ส่วนไหนเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาละเอียดแยกดูไปแล้วไม่มีสัต์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งไม่มีชาสิ่งนั้นก็แยกออกไปแล้วก็ตัวตนไม่มีสิ่งชายไม่มีสัตบุคคลไม่มี เป็นสิ่ง น, นั้นแยกออกไปเมื่อไม่มีสรรัพท์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวมันเมีตนหนอกทุกมันจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราแยกออกจากตัวของเราล่ะตัวของเรามีตรงไหนมันจะแยกดูแล้วมันไม่มีโดยปรัมปรธรรมที่เราว่ามีก็เพราะอะไรเพราะหลงสมมติ เาสมมติจะเรียกว่าผู้หญิงเรียกว่าผู้ชายเรียกว่านมเรียกว่าแก่แค่จริงเน่เป็นวัตถุแต่ะลาอย่างหลายอย่างท่านว่าถ้าไม่มีจิตครองแล้วตนร่างกายอันนี้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนที่นอนล้มทักผมแผนดินอยู่ในทีตนี่ชาวนเองมันไม่มีความหมายอะไร มันมีความหมายเพราะลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ถ้าหมดลมแล้วใครๆก็รังเกียจแต่ใครๆก็เบื่อหน่ายเคยเป็นลูกเป็นเจ้าก็เอาไว้ไม่ได้เอาไปทิ้งเคยเป็นพ่อเป็นเม่ก็เอาไว้ไม่ได้ส่เเเเเเงเอาไปทิ้งเคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็เอาไว้ไม่ได้เมื่อมันมีลมหายใจแล้วทำอะไรไม่ได้สักอย่าง หยดถาบัรดาสักก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจะว่าอ น, นิจจังเราไม่รู้อ น, นิจจังอย่างไรเราก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้่ส่วนทุกขังจะว่ามีความสุขอย่างไรเราก็เห็นอยู่รู้อยู่พิจารณาตรงไหนดูตรงไหน็ล่รน้ปต่มีทุกข์ทางนั้นมีเจ็บมีปวดทางนั้น อยู่รอบตัวของเราแต่ว่าเราไม่รู้ทําได้อย่างไรก่อนี้แหละเวทนาธรรมคือความสุขความทุกข์อ น, นิจจธรรมคือความไม่ <c oughs> ไมเที่ยงเรียกว่าอ น, นิจจธรรมหรืออ น, นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังคือของทุกข์ไว้อยู่ในที่นี้ ทุกมันก็เป็นความจริง น, นิจจังมันก็เป็นความจริงไม่ใช่สักเปวาพูดไม่ใช่สัจเปวาบัญญัติเราก็ดูจริงลงไปเราก็เห็นจริงลงไปจริงข้อนี้มันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและมีทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นทยเห็นได้ทุกคนเพราะมันมีทุกคน ก็ควรปฏิบัติทุกคนเพราะมันเป็นในคนทุกๆคนไม่ใช่เป็นเฉพาะคนใดคนหนึ่งมันมีทั่วทั้งโลกเกิดมาจำนวนมีประมาณเท่าไหร่มันก็มีอนิจจงทุกทุกคนมีทุกขังอยู่ทุกทุกคนมีอนัตตาทุกทุกคนลักษณะของรูป ลักษณะของนามมันมีอยู่อย่างนี้เราจะไม่รู้หรือทรรูปประธรรมเราก็อยู่ในรูปประธรรมในนามธรรมา ท, ที่เราไม่รู้เพราะเราไปมัวเมาเพิอเลินในอย่างอื่นอารมณ์อย่างอื่นไม่ได้สดใสเพ่งพิิจพิจารณาในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น เป็นหนทางปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราไม่ค่อยจะได้เอามาใช้เอาไปใช้สติไปเลิกไปเรื่องอื่นสะสมแต่สิ่งที่ให้เกิดภาระแก่ตัวของตัวเองเพิ่มพูนขึ้นตามระดับโดยหลงเข้าใจว่าเรามีมากมาก เราได้มากเรามีความสุขเรามีความเจริญแท้ที่จิงนั้นสิ่งทั้งหมดของเราไม่มีเมื่อตนของตนไม่มีแล้วสิ่ง น, นัน้นสิ่งอื่นจะเป็นตนได้อย่างไรแม้เ็ษธาตุขันธ์ น, นี่ไม่แยกแล้วก็ยังเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมปั่น มาแยกไปแล้วแม้แต่ น, นี่ก็ไม่เป็นตนแล้ววัตถุเขาของเงินสามสามีภรรยาเป็นตนได้อย่างไรลูกหลานจะเป็นตัวเป็นตนเราได้อย่างไรเมื่อไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราแล้วมันก็เพิ่งไม่ได้มันก็เป็นไปไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดา กฎเกินธรรมดามีอะไรเราก็สวดอยู่เสมอทุกวันทุกวันพิในคําสวดมันก็สอนให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันปินหังปเจเวทคิดตะ บ, บับให้เราพิจารณาให้เห็นทุกวันทุกวันตามความเป็นจริง เมื่อเราตรวจรองเห็นชัดเห็นความเป็นจริงอันนี้แหละธรรมอันนี้แหละเป็นของจริงอันนี้แหละไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนทั้งยึดมันก็ไม่ได้โดยสภาวะธรรมความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครจะแบบเป็นตนเป็นตนเป็นของเราเท่าไหร่ก็ทุกข์เปล่าทําไม่มองมองกเปล่า ทำให้เรามกมุ่นปเปล่าไม่เป็นทางให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดทําให้เราเพลอเผลอโมลเมาหลงในสิ่งที่เราชอบในยิ่งี่เราชอบในเสียงที่เราชอบในกลิ่นที่เราชอบในรสที่เราชอบในโพธิภะที่เราชอบ สิ่งใดที่เราเช่ากํทำให้เราหลงมาดองจิตใจของเราไม่ให้ฉลาดอยู่ใต้อำ น, นาจของความชอบสามารถจะบังคับตัวของเราให้ทำต่างความต้องการทำกรรมที่ไม่ดีมีการพผลิตต่าง เพราะเราไปติดพวกพันเป็นทาสในสิ่งที่ตนชอบถ้ า, าเราพิจารณาแบ่งแย ก, กาความรู้ความจริงแล้วสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทําให้เราหลงมันหลงตรงไหนเพราะเราไม่รู้จริงเราจะมีความหลงเพราะความหลงความไม่รู้นี่เองเป็นปัจจัย ซึ่งกันและกันให้เกิดทุกข์ให้เกิดสมุทัยมีกำลังแก่ดทุกข์มีกำลังเกิดสมุทัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยฉุกเรื่องกันบำรุงกันให้ต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นที่จุดทุกภพทุกชาติเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกเจ็บแล้วเจ็บอีก ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วกเกิดเกิดแล้วก็ตายไม่มีทิ่สิ้นที่สุดเลยเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีมีความสุขความเจริญเหมือนกับเราสำคัญผิดเกิดมาแล้วเพราะความเก่ความขราตามมาด้วยความหิวโหยความ ต้องการต่างๆมันก็เกิดขึ้นจะต้องทนุบํารุงบำรเลอทุกอย่างซึ่งจะอยู่ได้ต้องอาศัยวัตถุที่เกี่ยวเนื่องโดยการงานจะต้องทําจะต้องสะสมจะต้องเก็บการงานเหล่านั้นการหากก ร, กระเทาะกระเพิน่นใช้เล่ใช้เหลี่ยมซึ่งกันกับการเอารัดเอาเปรียบขัดแย้งกันทะเลาะ ก, กันผิดกัน กองรองกันฆ่าฟันรันแทงกัน แ, แทนที่จะได้ความสุขกลับเพิ่มทุกข์ภาระขึ้นมาอีกนี่เพราะเมื่อมันเกิดมาแล้วเพราะมันมีชาติชาติเป็นปัจจัยให้มีความแก่ความแก่เป็นปัจจัยให้เกิดพยาธิมรณะตามลดับ แล้วควมีความเสียใจสั้างใจทุกข์ใจเพราะความแก่เพราะความตายเพราะไม่มีหนทางที่จะยึดที่จะน่วงไม่มีที่พึ่งคนที่ไม่มีที่พึ่งจึงมายึดสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นทีพึ่งคือรูปนามเป็นทีพึ่งรูปนามก็รว้แต่เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตา เราไปพึ่งอนิจจังพึ่งทุกข์ก็ได้แต่ทุกข์พึ่งอนาตาัตตาเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเราไม่ได้แสวงหาสติมหาปัญญาหาศรัทธาความเพียรให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันเป็นต้นรังใจที่เราไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่น เราปล่อยวางภาระเหล่านั้นแล้วจิตใจก็ไม่มีภาระจิตใจสงบความสุขที่เกิดขึ้นความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เป็นบรมมาสุขท่านกล่าวว่านัตถิทัตติปังสุขขังความสงบนม่เป็นบรมมาสุขืสขสมมสขอสุขอย่างยิ่ง ทันไม่ได้กล่าวว่ามีเงินทองมากมากเป็นบรมมสุขมีเรือดเรือดใหญ่โตมีความสุขมียศถาบรรดาศักดิม์มีความสุขเป็นเศรษฐีมีความสุขเป็นอะไรก็ตามถ้าไม่มีความสงบแล้วความสุขจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน อะไรก็ตามถ้ากับจิตใจสงบแล้วย่อมมีความสุขได้ทุกคนทุก้าตทุกคนทำให้ความสงบให้เกิดขึ้นกับตัวของตัวเองได้ไม่ไรเลือกเพศเลือกภูมิวคาิว่าแวาาและนักบวชไม่ได้เลือกว่าผู้หญิงเยือกผู้ชายไม่ได้เลือกคนหนุ่มหรือคนแก่ถ้าสามารถอบรมจิตใจของเราให้สงบได้แล้วมีความสุขทุกทกคน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องการความสุขไม่ใช่หรอไม่ต้องการเมื่อเราต้องการแล้วเราจะไปใหแสวงหาความสุขโดวยวิธีอื่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์แสวงหามามากต้อมากแล้วไม่เจอความสุขทาให้เกิดความอิ่มน้ำสำราญเพียงพอแก่ความต้องการ ยิ้มได้เท่าไรยิ้มหิวโหยเท่านั้นเหมือนก็ยาเสพติดยิ้มติดมากเท่าไรก็ยิ้มกบวนมากขึ้นมากขึ้นจะต้องเป็นท่าเป็นการเสพติดเพราะเราหลงเราติดในในรสของยาในกลิ่นของยาในความสัมผัสของยาเลยเราก็เลยเป็นท่า ละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะติดในสิ่งเหล่านั้นทุ่มเททุกอย่างทางชีวิตจิตใจไม่ได้ทำคุณงามความดีอย่างเอืที่ให้มีความสุขละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นอีกโดยชาคัญหวานในความสุขอันแท้จริงคนขึ้นไม่ได้เข้าใกล้ บัณดิตคือพระพุทธเจ้าคนไม่ได้ฟังธรรมของบัณดิตคือธรรมของพระพุทธเจ้าคงไม่ได้คนไม่ได้พิจิตรณาธรรมของบัณดิตที่ได้ยินได้ฟังแล้วหรือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความฉลา มีกำลังใจอัอ่อนแอไม่เข้มแข็งในการประพฤติรรเมื่อการละสินที่ไม่ดีที่พระพุธทธเจ้าสอนในลาในการกระทำแต่สินที่ดีให้เข้มแข็งที่พระพุธทธเจ้าสอนใทนทัาผลที่สุดก็ไม่มีความฉลาดถูกความอยากครอบงำบังคับมีแต่ทุกข์ อย่างเดียวไม่มีที่พึ่งนีและอัจภาพอันนี้ไปแล้วก็ไรที่พึ่งอีกยึดอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในเราทั้งหลายรีบหาที่พึ่งจากคนไม่มีที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เอาพรธรรมเป็นที่งเพิ่งเอาพระสงฆ์เป็นสิ่พิ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราเลือกพุทโธอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั้นเราดูอยู่ทีไหนเละ่ยพุทโธพุทโธเนี่ยผู้รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นที่เพึ่งก็อยู่ตรงนั้นเราก็เข้าไปถึงพระพุทธองค์ให้อยู่ใกล้คิดแนบสนิทกับพระองค์คือพุทโธ เราจะเราเข้าทึกถึงพระธรรมแนบสนิทติอยู่กับพระธรรมคือธรรมโมธรรมโมไว้ในใจเลิศแนบสนิทติอยู่กับพระสงฆ์สังโฆสังโฆปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเราก็ละเลิกด้วยดีทําความดีขึ้นมาเมื่อเราละลิก ที่พึ่งไม่ลดละไม่มีช่องว่างไม่มีโอกาสที่ให้กิเลสยังอื่นเข้ามาแทนได้พระธรรมย่อมรักษาพู้ประพฤติธรรมเมื่อประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คือความสงบมาให้ความเย็นใจมาให้ความพองายความสบายมาสู่ตัวของเราเพราะเหตุนั้น รเราพยายามระลึกพุโทโธพุโทโธไว้ในใจทําใจให้พอดีอย่าให้มันเกินอย่าให้มันขาดสติจะทำให้พอดีระลึกอย่าให้มันเกินอย่าให้มันกระอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่คำว่าทางสายกลางก็คือทางพอดีนั่นเอง เรารู้อย่างไรรู้ว่าการระลึกพอดีเมื่อระลึกแล้วมันแน่วแน่มันสงบออมันสบายประจา น, นแบบเราตั้งมันถูกอย่างนี้มันไม่หุ่นวายในใจถ้ารวมไปแล้วเมื่อค่อยรวมไประลึกไปรวมไปมันมีความสบายในตัวของเรา เขาจะนั่งจนพยายามแล้วลึกไปแล้วลิกไปเ ล, ลิกไปลลกไป่อไปเมื่อมันพอดีล่ะเหมือนก็เครื่องรถเครื่องยนต์มันพอดีมันไม่มีอะไรติดขัดมันก็วิ่งไปสบายเราผู้ขับรถก็สบายไม่มีอุปสรรคมันก็วิ่งทำงานให้เราไปลตลอดอนนี้ก็เหมือนกันสติจ้ า, าก็พอดี ร ล, ลึกทำคำบริกรรมพอดีจิตกระตั้งใจมั่นพอดีกลมกลื่นกันระลึกไปรลึกไปมันก็ค่อยเบาไปสบายไปตามระดับค่อยสงบไปตามระดับไม่อาการที่เรารู้สึกมันนั่นถึงเรียกว่า ด, ดีคือมันมีความสุขมีความโ่อ่งใสในจิตในใจและมีความเพียน มีความพยายามดีมีความระลึกดีมีความรู้ดีด้วยกำกับควบคุมการไปทำด้วยดีไม่มีอะไรอุปสรรคขัดข้องค่อยสงบลเล็กๆไปตามระดับตามระดับเรียกว่าพอดีแม้แต่ลมหายใจเข้าออกมันก็พอดีที่ทำให้สงบทามันไม่พอดีหละ่ะมันก็ฟุ้งไปโน้นบ้างไปนี่บ้างมันส่วนเกิน ถ้าส่วนขาดแมันขี้เปียดขี่ค้านมันจะปล่อยวางมันจะหลับมันจะไม่เอาทุระไม่เอาไหนนั่นมันขาดเลินเล่นเล่นเผลอตัวโมเมาเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกินอย่าให้มันขาดเอาพอดีในข้ามกลางความรู้พุทโธนั่นนิ่งแน่วแน่ในจิตในใจของเรามีความสุขในใจความสบายในใจ เราก็จะได้เห็นชักเราก็จะได้รู้จริงเห็นชักคือเห็นความสบายที่เราปฏิบัติเห็นจริงก็มันปรากฏขึ้นมาจริงๆไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เชื่อตามโดยฝ่ายเดียวแม้ในใจของเรามันก็ปรากฏอย่างนั้นได้สัมผัสกับสิ่ง น, นั้น พระพุทธเจ้ากล่าอย่างไรความจริงเหรานั่นก็ได้สัมผัสในจิตใจของเราในส่วนความสงบในส่วนความสุ ข, สสขเราก็เสิ้นสงสยัยมีสรทาเพิ่มพนี้ขึ้นไปศรัทามีกําลังขึ้นมาแล้วความเพียรก็มีกําลังขึ้นมาด้วยต้องการได้ายละเอียดต้องการใน ํารที่เรายังไม่ถึงไปตามระดับเจตส่วนมีความระลึกในพอดีพอดีที่ให้เกิดสมาธิเกิดตั้งมันให้เกิดมีปัญญาในการสอบสอบการกรองเอาแต่สิ่งที่ดีเหลือไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ ที่หยาบหยาบมันก็ะเทือนไปเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติจนกว่าต้องควรกับเวลาจึงค่อยกลับพระความการเลิก